จเจริญพรท่านผู้มีจิตเมตตากราุณาใจบุญใจผู้สอทุกทุกท่านวันนี้เป็นวันเสาร์ที่31กรกฎาคมพุทธศักราช2553เป็นวันที่ท่านทั้งหลาย <c oughs> ได้ตั้งใจมาวัดเพื่อมาทำบุญ มาบำเพ็ญมาปฏิบัติธรรมเพื่อเป็นการสร้างสาระสร้างที่พึ่งให้แก่จิตใจเพราะสาระที่พึ่งทางใจนั้นต้องเกิดจากการศึกษาพราะทำคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วก็นำเอาสิ่งที่ได้ศึกษาไปปฏิบัติถึงจะปรากฏเป็นสาระ ที่พึ่งของใจได้สาระที่เรากล่าวถึงกันเช่นพุทธธรรมสารนามกชามิธรรมนามสารนปมกชามิสังฆังสารนามกชามิเราได้ถึงพระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์เป็นสาระนี้เป็นการแสดงเจตนารมแต่ยังไม่ได้เป็นการมีสาระ ที่แท้จริงอยู่ในใจของเราถ้าใจของเรายังคิดยังปฏิบัติไปสวนทางกับคำสอนของพระพุทธเจ้า<ๆ>ก็แสดงว่าเรายังไม่มีสรณะอยู่ในใจหรือมีก็มียังไม่มากพอมีเป็นบางส่วนส่วนที่เราสามารถปฏิบัติ ต, ตามคำสอนได้ ส่วนนั้นก็จะเป็นสรณะของเราส่วนที่เรายังไม่สามารถปฏิบัติตามคำสอนได้ส่วนนั้นก็ยังไม่ได้เป็นสรณะของเราเพราะสรณะนั้นเป็นธรรมะนี้เองธรรมะที่อยู่ในใจธรรมะที่เกิดจากการศึกษาและปฏิบัติจนปรากฏเป็นธรรมมาจักสุ หรือดวงตาเห็นธรรมถ้าเห็นธรรมแล้วก็จะมีธรรมมังสระนังประชามิอยู่ในใจเมื่อมีธรรมมาอยู่ในใจก็จะมีพุท ธ, ธะและสังขะพร้อมๆกันไปเพราะพุท ธ, ธะก็คือผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นตถาคตนั่นเองดังที่พระพุทธเจ้าสอนกัดวไว้ ถ้าอยากจะรู้ว่าตถาคตเป็นอย่างไรให้มีดวงตาเห็นธรรมเมื่อปรากฏมีดวงตาเห็นธรรมแล้วก็จะเห็นพระตะถาคตคือพระพุทธเจ้าจะอยู่ภายในใจของเรานี้พร้อมๆกับธรรมะและสังขะสังขาก็คือใข่ สังฆะก็คือผู้ที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบผู้ที่ปฏิบัติตามพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าอย่างเคร่งครัดแล้วปรากฏบรรลุธรรมขึ้นมาปรากฏมีดวงตาเห็นธรรมขึ้นมาตั้งแต่พระโสดาบันขึ้นไปเป็นผู้ที่มีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อยู่ภายในใจเช่น พระโสดาบันนี้ท่านจะรักษาศีลห้ายิ่งกว่าชีวิตตามที่พระเจ้าทรงสอนให้ละาบาปทั้งปวงเสียนี่พระพระโสดาบันท่านจะละบาปทั้งห้าประการเกิจะไม่ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตไม่ลักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดประเวณีไม่พูดปลอมโเท็จไม่เสพเชื้อรายาเาเพราะท่านมี ปัญญาหรือมีดวงตาเห็นธรรมว่าทำบาปแล้วจะต้องไปใช้กรรมในอบายนั้นเอง<ม>เหมือนกับเรารู้ว่าถ้าเราทำผิดกฎหมายเราก็ต้องไปติดคุกติดตารางนี่คือการมีดวงตาเห็นธรรมเห็นเหตุและเห็นผล<ม>เหตุก็คือการกระทำเห็นว่าทำบาปทำกรรมแล้ว จะต้องไปเกิดในอบายถ้าทำบุญทำกุศลก็จะได้ไปเกิดในสวรรค์ได้บรรลุมรรคผลนิพพานพระโสดาบันจะเห็นอย่างนี้เมื่อเห็นอย่างนี้แล้วก็จะมีความแน่ ว, แ น, วแน่ต่อการปฏิบัติตามพระธรรมคํ า, าสอนของพระพุทธเจา้าเมื่อสามารถปฏิบัติได้ก็จะอยู่เหนือความทุกข์ต่างๆได้ ความทุกข์ที่พวกเราทุกวันนี้ยังทุกข์กันอยู่ก็เพราะว่าเรายังขาดสาระความทุกข์อะไรบ้างที่เรากำลังทุกข์กันอยู่เราก็ทุกข์กับความแก่ทุกข์กับความเจ็บไข้ได้ป่วยทุกข์กับความตายทุกข์กับการพัดพรากจากสิ่งที่เรารักที่เราชอบทุกข์กับการที่จะต้องเผชิญกับสิ่งที่เราไม่ชอบทุกข์กับความสูญเสีย ทุกข์กับความผิดหวังนี่เป็นความทุกข์ที่เรายังมีอยู่ในใจอยู่เพราะเรายังไม่มีแสงสว่างแห่งธรรมที่จะสอนให้เราเห็นความจริงว่าการเกิดมาแล้วนี้ย่อมมีความแก่ความเจ็บความตายเป็นธรรมดาตามมาย่อมมีการพัดพาดจากกันเป็นธรรมดา ย่อมมีการประสบกับสิ่งที่ไม่พึงปรานาย่อมมีการผิดหวังเป็นธรรมดาผู้ที่มีดวงตาเห็นธรรมแล้วก็จะปล่อยวางจะไม่ยึดไม่ติดจะไม่หวังกับอะไรจะยินดีกับสภาพที่ตนเองได้รับไม่ว่าจะดีหรือไม่ดีก็ตาม เพราะเชื่อในหลักกรรมที่ทรงจัดสอนไว้ว่าสัตว์ทั้งหลายมีกรรมเป็นของของตนจะทากรรมอันใดไว้ดีหรือชั่วจะต้องเป็นผู้รับผลของกรรมนั้นชีวิตของเราก็มีทั้งบุญและกรรมส่งผลให้กับเราอยู่ตลอดเวลาวันไหนที่เรามีความสุขมีความสบายใจ มีความเจริญวันนั้นเรากำลังรับผลของบุญวันไหนที่เรามีความทุกข์ใจมีความเสื่อมมีความเดือดร้อนวันนั้นเป็นวันที่เรากำลังรับผลของบาปของกรรมที่เราได้ทำมาผู้ที่มีดวงตาเห็นธรรมก็จะทาใจให้ว่างให้วางเฉย คือไม่ยินดีไม่ยินร้ายได้รับผลดีก็รู้ว่าเป็นผลดีที่เกิดจากการกระทำในอดีตที่ไม่สามารถที่จะไปยับยั้งหรือป้องกันไม่ให้เกิดได้เ<ๆ>ช่นเดียวกับการรับผลไม่ดีก็เป็นเป็นผลที่เกิดจากการกระทำในอดีตจะไปชอบหรือไม่ชอบ ก็ไปห้างเขาไม่ได้เขาจะต้องแสดงผลของเขาไปตามเหตุคือการกระทำที่เราทำไว้ในอดีตถ้าเราชอบความเจริญอยากจะให้มีแต่ความเจริญเราก็ต้องสร้างเหตุที่จะทำให้เกิดความเจริญเช่นทำบุญให้ทาน <Okay. S 1> เช่นปฏิบัติธรรมนั่งสมาธิ ฟังเทศฟังธรรมเจริญปัญญาทำความดีต่างๆเช่นมีความกระตันยูมีความมีสัมมาคาราวะรู้จักที่สูงที่ต่ำมีความเมตตากรุณาเอื้อเฟื้อเปือแพรนี่คือการกระทำความดีที่เป็นเหตุที่จะทำให้เราได้รับผลดี คือความสุขใจความเจริญต่างๆถ้าเราไม่อยากพบกับความเสื่อมเสียไม่อยากพบกับความทุกข์ใจเราก็ต้องละเว้นการกระทำบาปคือเราไม่ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตไม่ลักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดโดะเวณีไม่พูดปดมดเท็จไม่เสพสุรายาเมาเพราะนี่เป็นเหตุที่จะทำให้เราพบกับความเสื่อมเสีย พบกับความทุกข์ต่างๆแต่ในขณะปัจจุบันถ้าเราจำเป็นจะต้องพบกับความทุกข์หรือพบกับความสุขก็เราต้องรู้จักทําใจให้เป็นปกติเวลาทุกข์ใจก็โปร่งเสียว่ามันเป็นผลของบาปของกรรมของเราแล้วก็อาศัยหลักของความไม่เที่ยงนี้มาให้กำลังใจว่า ไม่มีอะไรเที่ยงแท้แน่นอนความทุกนี้ก็ไม่เที่ยงแท้แน่นอนเมื่อมันหมดวาระของมันมันก็จะดับไปเองเมื่อความเดือดร้อนต่างๆหรืความเสื่อมต่างๆมันหมดอายุมันก็จะจากเราไปแต่เราไม่ต้องสร้างความทุกข์ขึ้นมาอีกชั้นหนึ่งภายในใจของเราถ้าเราไม่ชอบเราอยากจะให้มันหายไป มันก็จะเกิดความทุกข์ทรมานใจขึ้นมาอีกชั้นหนึ่งซึ่งเป็นความทุกข์มากกว่าความทุกข์ที่เราสัมผัสกับความเสื่อมเสียต่างๆความทุกข์อันนี้เราสามารถดับได้ด้วยการยอมรับคือยอมรับว่าความเดือดร้อนของเราตอนนี้มันเป็นสิ่งที่เราป้องกันไม่ได้ห้ามไม่ได้ มีแต่เราต้องรับรู้มันไปตามความจริงของมันเท่านั้นแต่ใจของเราไม่ต้องไปวุ่นวายไม่ต้องไปเดือดร้อนใจของเราก็จะอยู่อย่างมีความสุขได้ท่ามกลางความเสื่อมเสียท่ามกลางความวุ่นวายต่างๆใจของเราจะไม่รู้สึกว่าเป็นสิ่งที่น่ารังเกียจหรืออยากจะให้มันหายไปเลย มันอยู่ก็อยู่ไปเหมือนกับเรายอมรับกับดินฟ้าอากาศฝนจะตกแด่จะออกพายุจะมาอากาศจะร้อนขนาดไหนเพียงไรเราก็รับเขาตามสภาพของขาเพราะเรารู้ว่าเราไม่สามารถที่จะไปเปลี่ยนเขาได้นั่นเองแต่ใจของเรานี่กลับสงบเย็นสบาย ถ้าเรายอมรับความจริงถ้าเราตกต่ำมีความทุกข์เราก็ยอมรับว่าตอนนี้เรากตกต่ำมีความทุกข์อย่าไปดิ้นเพราะเป็นเหมือนปลาที่ติดเบ็ดยิ่งเดินก็ยิ่งทรมารยิ่งเจ็บปลาที่มีเบ็ดเดียวอยู่ที่ปากถ้านอนเฉยเฉยมันก็จะไม่เจ็บมาแต่ถ้ามันดิ้นมันก็จะเจ็บมา ชันใดเวลาที่ชีวิตของเราตกต่ำมีปัญหาต่างๆมากมายมีความเดือดร้อนต่างๆมากมายก็ขอให้เราทำใจให้นิ่งๆแล้วก็อย่าไปแก้ปัญหาด้วยการทำบาปเพิ่มขึ้นมาเช่นขาดเงินขาดทองก็ไปรักไปขโมยหรือไปกู้หนี้ยืมสินเพราะนี่ไม่ใช่เป็นการแก้ปัญหา แต่กับการเป็นการสร้างปัญหาให้มีมากขึ้นไปถ้าเราไปกู้เงินเขาแล้วไม่มีปัญญาที่จะใช้เขาเราก็จะต้องเดือดร้อนอีกเพราะเขาจะต้องตามมาทวงเงินแล้วถ้าเป็นคนที่ใจร้ายโหดร้ายเขาก็จะทำร้ายร่างกายเราหรือถึงกับทำลายชีวิตของเราได้ ถ้าเราขาดเงินขาดทองไม่พอใช้ก็ทําใจอยู่ไปตามอัตภาพของเราไม่มีใช้ก็ไม่ต้องใช้ไม่มีซื้อไม่มีเงินซื้อของที่อยากจะได้ก็ไม่ต้องซื้อไม่มีเงินที่จะรักษาของที่เราซื้อมาจะถูกเขายึดไปก็ให้เขายึดไปของภายนอกไม่สําคัญอะไรถ้าจาบใดเรายังมีชีวิตอยู่เรายังหาใหม่ได้ เพราะว่าความเสื่อมก็ดีความเดือดร้อนก็ดีมันไม่มันไม่เที่ยงแท้แน่นอนมันมีอายุของมันเมื่อมันหมดอายุแล้วมันก็จะผ่านไปแล้วความสุขความเจริญก็จะกลับมาได้เพราะเราก็เคยทําความดีมาเช่นเดียวกับการทําบา เราก็ต้องสลับรับกับผลของบาปและของบุญที่เราได้ทำมาแต่เราอย่าไปซ้ำเติมตัวเองอย่าไปสร้างปัญหาเพิ่มขึ้นด้วยการไปทำบาปเพิ่มขึ้นเพราะจะทำให้มีความทุกข์ยากลำบากตามมาอีกจะไม่หมดไปนี่คือการยอมรับ ในเรื่องของหลักของกรรมว่าเราทำอะไรเราจะต้องเป็นผู้รับผลของกรรมนั้นดังนั้นสำหรับเรื่องของกรรมในอดีตเราย้อนกลับไปลบไม่ได้ไปแก้ไม่ได้แต่กรรมในปัจจุบันนี้เราลบได้แก้ได้เช่นวันนี้เราอยากจะไปทำบาปเราเปลี่ยนใจเราก็ลบ นันน้วันนี้อยากจะไปยิงนกตกปลาไปดื่มสุรายาวเมาไปหาความสุขแบบแบบนี้แต่พอเราได้ยินได้ฟังพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าและเราเชื่อว่าสิ่งที่พระพุทธเจ้าทรงสอนนี้เป็นความจริงเราก็เปลี่ยนใจได้ ถ้าเราเปลี่ยนใจเราก็จะเหมือนกับลบบาปเพราะเราจะไม่ได้ไปทําบาปนั่นเองแล้วเมื่อเราไม่ได้ทําบาปต่อไปผลของบาปก็จะไม่มีจะไม่เกิดขึ้นเหมือนกับต้นไม้ถ้าเราไม่ปลูกต้นไม้เราก็จะไม่มีผ ล, ลไม้ออกมาแต่ถ้าเราปลูกต้นไม้เราก็จะต้องได้รับผ ล, ลไม้ เพราะนี่เป็นกฎของเหตุและผลกฎแห่งกรรมนี้ก็คือเป็นกฎของเหตุและผลเหตุก็คือการกระทําทางกายทางวาจาและทางใจผลก็คือความสุขหรือความทุกข์ความเจริญหรือความเสือ่อมก็จะเป็นผลตามมาพวกเราที่มาเกิดในโลกนี้ เราก็มีความสุขมีความทุกข์ไม่เท่ากันมีความเจริญไม่เท่ากันมีความเสื่อมไม่เท no no no no no no ่าก no no sí ันเพราะว่าเราทำบุญทำบาสมาไม่เท่ากันนั่นเองคนที่ทำบุญมากก็จะมีความสุขมากมีความเจริญมากคนที่ทำบุญน้อยก็จะมีความสุขน้อยมีความเจริญน้อย คนที่ทำบาปมากก็จะมีความทุกข์มากมีความเสื่อมมากคนที่ทำบาปน้อยก็มีความเสื่อมน้อยมีความทุกข์น้อยนี่เป็นเหตุและผลที่ไม่มีใครที่จะไปลบล้างได้ถ้าสร้างเหตุแล้วผลก็จะต้องตามมาถ้าไม่อยากมีผลก็อย่าไปทำเหตุ เช่นถ้าไม่อยากจะแก่ไม่อยากจะเจ็บไม่อยากจะตายก็อย่ามาเกิดถ้าไม่เกิดแล้วรับรองได้ว่าไม่มีความแก่ไม่มีความเจ็บไม่มีความตายตามมาอย่างแน่นอนแต่ถ้ายังมีการเกิดอยู่ก็ยังจะต้องมีความแก่ความเจ็บความตายตามมาเพราะพระเจ้าจึงไม่เกิดจึงตัดสินใจไม่เกิด แต่การจะไม่เกิดได้นั้นต้องดับเหตุที่จะทําให้เกิดเหตุที่ทําให้เกิดพระพุทธเจ้าทรงตัดสรุว่าคือการตัณหาภาวะตัณหาและวิภาวะตัณหาคือความอยากสามชนิดด้วยกันความอยากในการเช่นอยากดูหนังฟังเพลงอยากจะหลับนอนกับคู่ครองหรือไม่ใช่คู่ครองขอ ง, ของเราก็ตาม อยากจะมีความสุขจากการเสพ ร, รูปเสียงกลิ่นรสโอดถอดภาเรียกว่าเป็นการมาตันหาถ้าตาใดยังมีการมาตันหาอยู่ก็ยังจะต้องมาเกิดในการมภพบอย่างพวกเรานี้ทุกคนไม่มีใครจะปฏิเสธได้ว่าไม่มีการมาตันหาทุกคนมีความอยากในการด้วยกันเท่านั้นยังอยากดูอยากฟัง ยังอยากลิ้มรสอยากดมกลิ่นอยากสัมผัสสิ่งต่างๆที่ชอบอกชอบใจนี่เรียกว่ากามาตัญหาถ้ามีกามาตัญหาก็จะต้องมาเกิดในกามาภพกามาภพนี้ก็แบ่งเป็นสองส่วนส่วนที่ดีและส่วนที่ไม่ดีส่วนที่ไม่ดีเรียกว่าอบายส่วนที่ดีเรียกว่าสุคติ สุกเกก็คือสวรรค์หรือภพของมนุษย์ส่วนอบายก็คือนรกภพของเปรตภพของเดรัจฉานผู้ที่แสวงหาการมาตัญหาด้วยวิธีที่สุดเจริญคืออยากจะมีอยากจะหลับนอนก็ไปสู่ขอตามประเพณีให้ถูกต้องอยากจะมีคู่ครองก็ไปสู่ขอ มิดามันดาแล้วก็แต่งงานกันแล้วก็อยู่ร่วมกันร่วมสามีและภรรยาเวลาหลับนอนร่วมกันอย่างนี้ก็จะไม่เป็นบาปแต่ถ้าไปหลับนอนกับลูกของคนอื่นสามีของคนอื่นภรรยาของคนอื่นอย่างนี้เป็นการหลับนอนที่ผิดประเพณีเป็นบาปตายไปก็จะต้องไปเกิดใน แต่ถ้าร่วมหลับนอนกับสามีกับภรรยาของตนตายไปก็ไม่ต้องไปเกิดในอวบายเพราะไม่ได้ทําบาปไม่ได้ทําผิดศีลข้อสาข้อข้อการในสมิชฌ า, าลารเวรมณีเช่นเดียวกับข้ออื่นถ้าเราอยากจะรับประทานอาหารแล้วเราไปยิงนกตกปลาหรือไปร้านาหารแล้วไปชี้บอก คนที่ร้านว่าต้องการปลาตัวนี้ที่กำลังไหวอยู่ในถังอย่างนี้ตายไปก็จะต้องไปเกิดในอบายต้องกลับไปเกิดเป็นปลาให้เขามาชี้แล้วก็เอาเราไปฆ่าเป็นอาหารแทนทำอะไรไว้อย่างไรก็จะได้อย่างนั้นหรือไม่มีเงินทองอยากจะไปเที่ยวก็ไปลักขโมยเงินทองเพื่อไปเที่ยว หรือไปซื้อสิ่งของที่อยากจะได้อย่างนี้ตายไปก็ต้องไปเกิดในอบายแต่ถ้าอยากจะได้อะไรแล้วหาเงินมาด้วยวิธีที่สุดจริญ mm hmm. เช่นไปทำงานได้เงินเดือนมาแล้วก็ไปซื้อของที่อยากจะได้ไปดูหนังไปฟังเพลงไปรับประทานอาหารตามร้านอาหารตา่ตางๆ อย่างนี้ก็จะไม่ต้องไปใช้กรรมในอาบายไม่ต้องไปเกิดในอาบายไปสวรรค์ได้กลับมาเกิดเป็นมนุษย์ได้เลยนี่คือเรื่องของผู้ที่ยังมีกา r m ตันหาอยู่ทำอย่างไรถึงแม้จะไม่อยากจะเกิดถึงแม้จะอธิษฐานขอว่าชาติหน้าขออย่าให้ได้มาเกิดเลยการอธิษฐานแบบนี้ไม่เกิดประโยชน์อะไรเพราะการอธิษฐานแบบนี้ไม่ได้ไป ลบเหตุที่จะทำมาให้เกิดนั่นเองถ้าอยากจะลบถ้าอยากจะอธิษฐานก็ต้องอธิษฐานว่าต่อไปนี้จะตัดการมาตัญหาให้หมดไปจากใจจะไม่อยากดูไม่อยากฟังไม่อยากดมกลิ่นไม่อยากลิ้มรสไม่อยากสัมผัสอะไรทั้งนั้นเหมือนกับผู้ที่ถือศีลแปดหรือพระที่บวชอย่างนี้จะไม่หลับนอนกับใคร จะถือศีลพรหมจรรย์แล้วก็จะไม่หาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายเวลารับประทานอาหารก็รับไปตามอัตภาพไม่เลือกไม่คิดถึงอาหารชนิดนั้นชนิดนี้ไม่อยากจะรับประทานอาหารชนิดนั้นชนิดนี้รับประทานตามมีตามเกิดบินทบาได้อะไรมาก็รับประทานไป ยาติโยมนำกับข้าวกับปลาอาหารมาถวายชนิดไหนก็รับประทานไปรับประทานเพื่ออยู่ไม่ได้รับไม่ได้รับประทานเพื่อให้เกิดความสุขใจกินเพื่ออยู่ไม่ได้อยู่เพื่อกินถ้าอยู่เพื่อกินก็อยู่ก็กินแบบตัณหาต้องจู้จี้จุกจิกต้องเลือกอาหารชนิดนั้นอาหารชนิดนี้วันนี้จะต้องกินอาหารอย่างนั้น พรุ่งนี้จะต้องกินอาหารอย่างนี้อย่างนี้เรียกว่ากินตามกิเลสตัณหาถ้ากินแบบนี้ก็ยังจะตัดตัณหาไม่ได้ถ้าอยากจะตัดตัณหาก็ต้องกินแบบตามมีตามเกิดอย่างที่พระท่านฉันกันฉันไม่มีสิทธิ์ที่จะไปเลือกหรือคิดว่าอยากจะกินอะไร อยากจะไปกินอาหารรานนั้นรานนี้อยากจะกินอาหารชนิดนั้นชนิดนี้ไม่มีความอยากไม่ได้กินด้วยความอยากกินเพื่ออยู่กินด้วยความจำเป็นกินเพื่อรักษาร่างกายไม่ให้ตายกินเหมือนกินยานี่คือการกินแบบไม่มีตัณหาถ้าอยากจะตัดตัณหาก็ต้องกินแบบนี้แล้วก็ต้องไม่หาความสุขทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกาย เช่นไม่หาความสุขด้วยการดูหนังไม่หาความสุขด้วยการฟังเพลงไม่หาความสุขด้วยการไปเที่ยวตามสถานที่ต่างๆอย่างนี้ถึงจะสามารถตัดตัหาได้ถ้าตัดตันหาได้ไม่มีการมาตันหาตายไปก็จะไม่ต้องกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ไม่ต้องกลับมาเกิดในอบายแต่ยังมีถ้ายังมีตันหาอีกสองตัวอยู่ก็ยังต้องกลับมาเกิดอีก แต่จะกลับมาเกิดเป็นพระอริยเาจ้าเพื่อที่จะปฏิบัติธรรมสูงขึ้นไปจนกว่าจะตัดความอยากทั้งหลายให้หมดไปได้ก็จะถึงจะบรรลุเป็นพระนิพพานบรรลุเป็นพระอรหันต์ถ้าบรรลุเป็นพระอรหันต์ได้แล้วก็จะไม่ต้องกลับมาเกิดอีกต่อไปเพราะตัดความอยากได้ทั้งสมส่วนตัดกามารคฐานหา ความอยากในรูปเสียงกลิ่นรสตัดภาวะตันหาความอยากมีอยากเป็นเช่นอยากรวยอยากมีตําแหน่งสูงๆอยากจะเป็นนายกอยากจะเป็นประธานาธิบดีอยากจะเป็นสมาชิกเทศบาลสมาชิกอบาตาอย่างนี้เป็นต้นนี่เรียกว่ายังเป็นความอยากต้องไม่อยากต้องเฉยๆเป็นก็ได้ไม่เป็นก็ได้ ถ้าเขาเลือกถ้าเขาแต่งตั้งเขาเชิญให้ไปเป็นก็เป็นแต่ถ้าเขาไม่เชิญก็ไม่ไปอย่างนี้ไม่ใช่เป็นความอยากแต่ถ้าลิ้นลนออกหาเสียงสมัครเป็นสมัครลงเลือกตั้งอย่างนี้เรียกว่ายังมีภาวะตัณหาอยู่ยังมีความอยากเป็นใหญ่เป็นโตอยู่แล้วความอยากชนิดที่สามก็คือความอยากไม่มีอยากไม่เป็นอยากไม่มีอะไร ก็คืออยากไม่แก่อยากไม่เจ็บอยากไม่ตายอยากไม่ยากจนอย่างนี้ถ้ายังมีความรู้สึกอย่างนี้อยู่ก็ยังต้องกลับมาเกิดอยู่นี่คือเรื่องของกฎแห่งกรรมเป็นอย่างนี้กรรมที่เราทำกันนี้เกิดจากความอยากพาให้เราทำถ้าเราไม่มีความอยากเราก็จะไม่ต้องทำกรรม แต่เมื่อเรามีความอยากเราก็ต้องทำกัรแต่เราสามารถเลือกได้ว่าจะเป็นกรรมดีหรือกรรมชั่วอยากไปเที่ยวก็ไปหาเงินมาก่อนไปทำมาหากินทำงานทำการหาเงินด้วยวิธีที่สุดจริญอย่างนี้เราก็ไม่ต้องทำบาปแต่เรายังมีความอยากอ ย, กอยู่ยังต้องกลับมาเกิดใหม่แต่ถ้าเราไม่อยากจะกลับมาเกิดใหม่ก็อย่าไปอยากเลย ถ้าเราไม่อยากแล้วเราก็ไม่ต้องไปทางานทาการไปหาเงินหาทองเพราะว่าเราไม่ต้องใช้เงินนั่นเองเพราะเราไม่มีความอยากที่จะได้อะไรไม่อยากจะไปเที่ยวไม่อยากจะดูหนังฟังเพลงไม่อยากกับอะไรต่างๆเราก็ไม่ต้องไปหาเงินมาเพื่อที่จะทำตามความอยากของเรา เราก็ไม่ต้องไปทำบาปได้ดังนั้นถ้าเรายังไม่สามารถตัดความอยากได้ก็ขอให้เราทาอย่าไปทำบาป ก, ก็แล้วกันคือทำอาชีพที่สุดจริตอยากจะได้อะไรก็ให้หามาด้วยวิธีที่สุดจริตอย่างน้อยเราจะได้ไม่ต้องไปใช้กรรมในอบายไม่มีใครอยากจะไปเกิดเป็นเดราาัจฉานไม่มีใครอยากจะเป็นเปรต ไม่มีใครอยากจะตกนรกเพราะมันไม่ได้เป็นที่ที่น่าไปนั่นเองทุกคนอยากจะไปสวรรค์อยากจะเป็นเทพอยากจะเป็นมนุษย์อยากจะเป็นพระอริยเจ้ากันเราก็ต้องอย่าไปทำบาปโดยเด็ดขาดนี่คือการสร้างสารณะที่พึ่งของใจด้วยการศึกษาก่อนได้ยินได้ฟังพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้า ให้รู้ว่าบาปเป็นอย่างไรบุญเป็นอย่างไรให้รู้ว่าผลของบาปเป็นอย่างไรผลของบุญเป็นอย่างไรเมื่อรู้แล้วก็จะได้ปฏิบัติได้ถูกต้องเวลาคิดจะทำบาปก็จะได้รู้ว่าอ๋อทำไม่ได้เพราะนี่เป็นเหตุที่จะทำความทุกข์ทำความเสื่อมเสียให้เกิดขึ้นมา เวลาทำความดีคิดจะทำความดีก็รีบทำทันทีเลยเพราะรู้ว่าจะเป็นเหตุที่จะทำให้เรามีความสุขมีความเจริญอยู่ที่ตรงใจของเราเป็นผู้ริเริ่มใจของเราต้องคิดก่อนเมื่อคิดแล้วถึงถึงจะไปพูดได้ถึงจะไปทำได้พระพุทธเจ้าจึงทรงสอนให้เราคอยดูใจของเราตลอดเวลา เฝ้าดูใจของเราดูความคิดของเราดูว่าเรากำลังคิดดีหรือคิดไม่ดีถ้าคิดไม่ดีก็ให้ระงับถ้าคิดดีก็ให้ทำไปเลยเช่นวันนี้คิดจะมาทำบุญก็มาเลยคิดจะมาฟังเทศฟังธรรมมาถือศีลมาปฏิบัติธรรมก็ทำเลยโทรศัพท์ติดต่อจองที่พักเลยอย่างนี้เรียกว่าคิดดีพูดดีทำดี ถ้าคิดจะไปชวนเพื่อนไปยิงนกตกปลาไปกินเหล้ากันก็ระงับความคิดนั้นได้เลยเพราะเป็นความคิดที่ไม่ดีเพราะคิดไม่ดีแล้วเดี๋ยวก็จะต้องทำไม่ดีจะต้องโทรจะต้องพูดไม่ดีจะต้องโทรศัพทงไปชวนเพื่อนแล้วก็จะไปทำกรรมกันจะไปฆ่าสัตว์ตัดชีวิตกันนี่คือเรื่องของการสร้างสาารณะสร้างที่ใจของเรา ด้วยการประพฤติปฏิบัติตามพระธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าเพราะเมื่อเรามีดวงตาเห็นธรรมเห็นว่าทำบาปนี้จะต้องทุกข์แน่ๆจะต้องตกนรกแน่ๆจะต้องไปเกิดเป็นดาราชานแน่ๆก็จะไม่กล้าทําบาปอีกต่อไปเมื่อไม่ไม่กล้าทําบาปแล้วก็จะมีแต่การทําบุญอย่างเดียวก็จะมีแต่ความสุขความเจริญอย่างเดียว นี่ก็คือสาระมีที่พึ่งแล้วมีที่ป้องกันไม่ให้เราไปตกต่าไม่ให้เราไปเกิดในอาบานี่คือสาระของเราคือคำสอนของพระพุทธเจา้าและการปฏิบัติด้วยการปฏิบัติดีปฏิบัติชอบจนปรากฏมีดวงตาเห็นธรรมขึ้นมาในใจเราก็จะมีพระพุทธพระธรรมเป็นสาระที่แท้จริง สาระภายในอกนี้ยังไม่สามารถสอนใจเราได้หักห้ามใจเราได้เพราะเราไม่ได้คิดถึงสาระอยู่ตลอดเวลาแต่สาระภายในใจนี้จะคอยดูความคิดของเราอยู่เสมอเวลาเราคิดจะไปทําบาปก็จะถูกสาระนี้มาเตือนมือมาห้าม ท, าทันทีแต่ถ้าเราไม่มีสาระภายในใจเวลาที่เราโกรธเราคิดอยากจะทำบา ก็จะไม่มีสราระมาหักห้ามเราเพราะตอนนั้นเราก็อยากจะทำบาปเต็มที่เวลาโกรธมากๆนี่ไม่ฟังใครทั้งนั้นนี่คือการสร้างสราระต้องสร้างที่ใจด้วยการศึกษาและการปฏิบัติแล้วจะมีสราระที่แท้จริงอยู่ภายในใจของเราจึงขอฝากเรื่องของการมาสร้างสราระ ด้วยการสังเทศฟังธรรมด้วยการบำเพ็ญปฏิบัติตามพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเพื่อจะได้มีสาระที่แท้จริงอยู่ภายในใจต่อไปการแสดงก็เห็นว่าสมควรแก่เวลาจึงขอยุติไว้เพียงเท่านี้ขอคุณพระศรีรัตนตรัยและบุญกุศลที่ท่านได้มาบำเพ็ญกันในวันนี้ จงเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้ท่านมีแต่ความสุขและความเจริญทั้งในทางโลกแม่นหนทางธรรมโดยทั่วหน้ากัรเธอ